ในเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเส์ความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิด าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งดังในมงคลสูตรที่ได้สงตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตังมังกละลมุตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งในะนะสมัยพระพุทธการในสมัยโบราณการฟังธรรมก็จะกับนอให้ฟังในวันพระคืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะว่าญาติโยมผู้ของเรือนมีภารกิจการงานต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องกระทำกันจึงไม่สามารถมาวัดได้ตลอดเวลา จึงได้ทรงบัญญัติวันธรรมัะสวนะคือวันฟังธรรมขึ้นหนึ่งวันเราเรียกกันว่าวันพระสมัยก่อนเราใช้ปฏิทินทางจันทรคติคือเราจะดูตามวันแรงวันขึ้นเช่นวันขึ้นแปดขั้มแรงแปดขั้มก็เรียกว่าเป็นวันพระแต่สมัยนี้พวกการเวลาได้เปลี่ยนไป ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ปฏิทินทางจันทรคติเราใช้ปฏิทินสากลที่มีวันหยุดการทํางานตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลยต้องปรับวันฟังธรรมของพวกเราให้มาตรงกับวันหยุดทํางานก็เลยเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเช่นวันนี้เราจะถือว่าวันนี้ เป็นวันพระสาหรับเราก็ได้เพราะคำว่าวันพระก็คือการหยุดทำงา น, ห า, นหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วมาเข้าวัดมาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม วันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนวันพร ะ, ะเพียงแต่ว่ามันไม่ตรงกับปฏิทินทางจันทรคติแต่ทางความเป็นจริงเรื่องเหตุผลของการมีวันพระก็คือมีวันหยุดทำมาหากินเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาหาบุญหากุศลมาสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต มาฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาการเวลาก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งควรจะมีเวลาให้กับการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นเสื่อมิมงคลทั้งหลายเพราะเวลาเราฟังธรรมเราจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ำอีกหลายๆายครั้งก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจที่ดีขึ้น 3. จะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปได้ 4. จะทำให้จิตใจเราผ่องใสสงบมีความสุขและทําทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง นี่คือประโยชน์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตสำหรับที่จะเกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมการได้ฟังธรรมฟังในสิ่งที่เราไม่ได้ย ไ, ได้ฟังมาก่อนก็เท่ากับเสริมความรู้ความฉลาดของเราให้มีมากขึ้นนั่นเองส่วนใหญ่ความรู้ของพวกเรานี้จะเป็นความรู้ทางโลก ความรู้เกี่ยวกับการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวิชาความรู้ต่างๆที่เราเรียนตามโรงเรียนตามมาหาวิทยาลายนี้เป็นวิชาทางโลกเป็นวิชาที่จะสอนให้เราเอาไปใช้ในการทรมาหากินต่อไปแต่ไม่ได้เป็นวิชาที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆ ต่อให้เราเรียนจบปริญญาเอกใจของเราก็ยังจะต้องมีความวุ่นวายมีความทุกข์มีความวิตกมีความกังวลอยู่เรื่อยๆเพราะวิชาความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถจะทาให้เราอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้แต่วิชาทางธรรมคือคำสอนของพพระพุทธเจ้านี้ เป็นความรู้ความรู้ที่จะทำให้เราอยู่เหนือความทุกข์ได้เราไม่ต้องทุกข์อย่างที่พวกเราเป็นกันอย่างนี้ได้ถ้าเรามีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ภายในใจของพวกเราตอนต้นเราก็ต้องฟังทำฟังแล้วเราก็จะได้เอาเข้ามาสู่ใจของเราถ้าอยู่ในใจแล้วทมของพระพุทธเจ้า จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรู้เห็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราว่าเกิดจากความอยากต่างๆนี้เองเช่นความอยากหาความสุขทางตาหูจหมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามประการนี้ เวลาเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาไม่สงบอยากไปเที่ยวก็วุ่นวายต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวต้องเตรียมเงินเตรียมทองต้องเตรียมอะไรต่างๆถึงจะออกไปเที่ยวได้แล้วพอถึงวันที่จะไปเที่ยวเกิดไม่สบายขึ้นมาก็ไปไม่ได้ ไปไม่ได้ก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างของความอยากที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวเราบอกว่าอยู่บ้านเฉยๆดีกว่าเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมข้าวเตรียมของแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมเงินเตรียมทอง ยิ่งถ้าไปต่างประเทศนี้ต้องซื้อตั๋ซื้อตัว๋วจองที่พักทาหนังสือเดินทางทาอะไรต่างๆมากมายกายกองกว่าจะได้ไปเที่ยวและพอไปเที่ยวกลับมาแล้วความสุขสนานที่ได้จากความไปเที่ยวก็หายไปหมดพอกลับมาอยู่บ้านก็มีความรู้สึกเหงาว้าเวเหมือนเดิมต้องอยากจะออกไปเที่ยวใหม่ นี่คือแล้วก็จะต้องสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเวลาเที่ยวก็ต้องใช้เงินใช้ทองพอไปเที่ยวกลับมาเงินหมดก็ต้องมาวุ่นวายกับการหาเงินหาทองีแต่ถ้าเราอยู่บ้านนี้เราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยเงินทองที่เราหามาได้นี้เราสามารถเก็บเอาไว้ใช้กับสิ่งที่จำเป็นได้เราก็ไม่ต้องกงังวลไม่ต้องวุ่นวาย กับการหาเงินหาทองกับการมีเงินไม่พอใช้ความอยากนี่แหละที่ทำให้เรามีเงินไม่พอใช้กันต่อให้เรามีเงินมากน้อยเพียงไรเราก็จะไม่พอใช้เสมอเพราะความอยากจะใช้เงินที่เราไม่อยู่ให้มันหมดไปนั่นเองสมัยเด็กๆ เ, เราใช้วันละกี่ตังเราก็อยู่กันได้พอเราโตขึ้นมา เรามีรายได้มากกว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆต้องหลายสิบเท่าเราก็ยังไม่พอใช้อยู่เหมือนเดิมเพราะพอมีเงินมากความอยากจะใช้เงินก็มีเพิ่มตามขึ้นมาเรื่อยๆเราจึงต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะความอยากนี่เองนี่คือตัวอย่างของความอยากถ้าเราไม่มีความอยากใช้เงินแล้วนี่เราจะรวย จะเป็นเศรษฐีได้อย่างง่ายดายหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็เก็บได้หมดเพราะไม่ต้องไปข้างนอกไปเฉพาะไปทำงานทำการพอวันหยุดก็อยู่บ้านอยู่บ้านซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านแต่งบ้านให้ดูแลสะอาดให้สวยงามดีกว่าดีกว่าแต่งตัวให้สวยงามแล้วออกไปข้างนอกแต่ทิ้งบ้านให้สกรปรกโลกดุงลัง ใครมาเยี่ยมเขาจะเราจะไม่อยากให้เขามาเยี่ยมบ้านของเราเพราะเราจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะคอยเก็บคอยกวาดคอยดูแลรักษาให้สะอาดเรียบร้อยเพราะเรามมวแต่อยากจะไปเที่ยวไปเล่นกันหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปหาเงินหาทองกันเวลาที่จะมาดูแลบ้านจึงไม่ค่อยมีกัน <c oughs> แต่ถ้าเราไม่อยากไปเที่ยวนี้ รับรองได้ว่าเงินทองที่เราหามาได้นี้เราจะเก็บไว้ได้เกือบหมดเลยถ้าจะใช้ก็ใช้กับสิ่งที่จำเป็นเช่นใช้กับอ า, อาหารยารักษาโรคเครื่องนุง่งห่มถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องใช้บ้านถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่จ่ายแต่ค่าน้ำค่าไฟเงินที่หามาได้นี้ก็จะเหลือเก็บไว้ใช้ได้เป็นปี แล้วถ้าเราเก็บไว้มากๆต่อไปเราก็หยุดทำงานได้ไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยให้ยากก็มีเงินทองเหลือใช้นี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่มีความอยากใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นเศรษฐีได้อย่างง่ายดายและจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจ แล้วก็จะมีเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้เอาธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติให้มากขึ้นยิ่งปฏิบัติได้มากขึ้นเท่าไหร่ความสุขก็จะมีมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปเท่านั้นเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มีไว้ลดไว้หยุดความอยากต่างๆนี้นั่นเองเพราะความอยากนี้ เปรียบเหมือนเชื้อโรคของใจเราเวลาเราติดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายเราต้องทำอย่างไรเราก็ต้องไปหาหมอหายามาฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเราไม่เช่นนั้นร่างกายของเราก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานแต่พอเรากินยาเข้าไปมันก็จะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายของเรา แล้ร่างกายก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นปกติสุขได้จันดายใจของพวกเราที่กำลังวุ่นวายกันที่กำลังทุกข์กันอยู่นี้ก็เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรค ก, ก็คือความอยากต่างๆถ้าเราเอายาคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติกับการกระทำของเราเราก็จะได้ยาเข้าไปรักษา โรคภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างที่ท่านสอนว่าอย่าทำตามความอยากอย่าไปอยากเที่ยวอย่าไปอยากหาความสุขจากการดูการฟังจากการดื่มจากการเล่นอะไรต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นการเสพยาเสพติดมันมีความสุขแต่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทำให้เราติดต้องหาอยู่เรื่อยๆ ต้องเสพอยู่เรื่อยๆและเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหามันได้เวลาที่เงินทองขาดไม้ขาดมือเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องทุกข์และอาจจะทำให้เราต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปก็ได้ถ้าความอยากมันมีความรุนแรงแล้วเราไม่มีเงินพอที่จะตอบสนองความอยากของเราได้ เราก็ต้องไปหาเงินด้วยวิธีการต่างๆถ้าเราไม่สามารถหาเงินได้ด้วยวิธีที่สุดจริตถูกกฎหมายเราก็อาจจะต้องไปหาโดยวิธีทุจริตไปลักขโมยไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้อีกอันนี้ เป็นผลที่เกิดจากการมีความอยากมากๆความมีความอยากมากๆนี้มันจะผลักดันให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายแล้วก็จะต้องไปติดคุกติดตารางไปเป็นหนี้เป็นสินเพราะว่าเราต้องใช้เงินใช้ทองตอบสนองความอยากแต่ไรายได้ของเรานี้ จะมักจะไม่พอกับรายจ่ายเพราะความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีมากแล้วเราไม่สามารถที่จะหักห้างจิตใจได้ถ้าเรามาวัดเราก็จะได้ฟังเรื่องของความทุกข์ของพวกเราเรื่องของปัญหาต่างๆของพวกเราว่าเกิดจากความอยากของพวกเรานี่เอง แล้วพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิธีที่จะทำให้เรานั้นแก้ความอยากหยุดความอยากต่างๆได้เช่นถ้าเราอยากจะเอาเงินไปเที่ยววันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้มาทำบุญที่วัดดีกว่าจะได้ความสุขมากกว่าจะได้ความอิ่มความพอถ้าเอาเงินไปเที่ยวแล้วจะได้ความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้น จะต้องเที่ยวอยู่เรื่อยๆเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญทำทานแล้วจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความพอจะทำให้อยู่บ้านเฉยๆได้จะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกว่าวเวยแต่อย่างใดเพราะใจได้รับอาหารอาหารของใจคืออะไรอาหารของใจก็คือบุญที่พวกเรามาทำกันนี่เอง เวลาเราทำบุญแล้วเราจะมีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราไม่อยากจะไปไหนอยู่ที่ไหนก็สู้อยู่บ้านเราไม่ได้หรอกอยู่ที่บ้านเรากินก็สบายนอนก็สบายเข้าห้องน้ำห้องท่าก็สบายออกไปข้างนอกนี้ต้องไปลำบากลำบนกับการเดินทางติดรถบดท้องถนนเวลาไปสถานที่ต่างๆก็มีคนมาก ต้องแย่งกันกินแย่งกันเข้าห้องน้ำทำไมอยู่บ้านกันสบายกับไม่อยู่กันก็เพราะว่าสู้ความอยากไม่ได้สู้ความอยากที่สร้างความรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหวไม่ได้เพราะใจขาดอาหารขาดบุญนี่เองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวซึ่งไปซื้อความหิวไม่ได้ซื้อความอิ่ม ให้เอาเงินมาทำบุญเพราะว่าการทำบุญนี้จะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้ใจเรามีความสุขแล้วจะทำให้เราไม่คิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอยู่บ้านสบายกว่าเช่นวันนี้เดี๋ยวทำบุญเสร็จก็กลับไปบ้านได้อยู่บ้านเฉยๆนั่งฟังเทศฟังธรรมต่อหรืออยากจะสร้างธรรมะให้มีมากขึ้นก็อาจจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบ ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่เลยการทาบุญทำทานนี้เป็นเพียงแต่เติมความหิวเติมเติมอาหารให้กับใจที่หิวเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถหยุดความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราจะหยุดความอยากได้อย่างเต็มที่เลย แต่เราจะดับได้เฉพาะเวลาที่เราอยู่ในสมาธิเท่านั้นพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจปัญญาคือความรู้ที่พระตถาจ้าทรงค้นพบว่า การทำตามความอยากนี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นการพาไปสู่ความสุขเพราะเมื่อมีความอยากก็ต้องไปทำการจะทำตามความอยากก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีเงินมีทองมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็มีสิ่งของที่เราอยากได้แต่ถ้าวันไหนเงินทองไม่มี หรือร่างกายไม่สบายหรือของที่เราอยากจะซื้อไม่มีให้เราซื้อเวลานั้นเราก็จะไม่มีความสุขและเราก็จะมีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราควรจะสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปหาความสุขจากการใช้เงินซื้อของต่างๆให้เอาเงินที่เราไปซื้อความสุขนี้มาทำบุญดีกว่า แล้วเราจะมีความสุขอย่างแท้จริงแล้วเราจะได้มีเวลามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้เรียนรู้วิธีที่จะหยุดความอยากต่างๆให้หมดไฟจากใจนอกจากการทำบุญแล้ววิธีหยุดความอยากขั้นที่สองก็คือการไม่ทำบาปเพราะการทำบาป ก, ก็เกิดจากการทำความอยากนี่ออยากจะได้เงินได้ทอง ก็ต้องไม่มีเงินทองก็ต้องไปลักขโมยก็อยากจะไปลักทรัพย์อยากจะมีแฟนแต่ไม่มีแฟนก็อาจจะต้องไปแย่งแฟนของคนอื่นไปแย่งสามีแย่งภรรยาของคนอื่นก็เป็นการประพฤติผิดประเวณีเป็นการทำบาปทำกรรมถ้าเราไม่ทำบาปต่างๆเราก็จะหยุดความอยาก ที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีได้และการทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นการทำบาปไม่ได้เป็นการทำให้เรามีความสุขแต่เป็นการทำให้เรามีความทุกข์ไม่เชื่อลองไปโกหกพ่อโกหกแม่ดูหรือโกหกแฟนดูแล้วจะรู้สึกสบายใจหรือไม่พอโกหกแล้วเราก็จะมีความกังวลมีความวิตกว่าจะถูกเขาจับได้ เวลาใครเขาจับว่าเราโกหกได้นี่เราเสียหน้าเสียตาเสียชื่อเสียเสียงต่อให้เราแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามขนาดไหนก็ตามพอเขารู้ว่าเราเป็นคนโกหกนี่ความสวยงามทางร่างกายนี้หมดความหมายไปเลยแทนที่เขาจะรักเขาจะชอบเราเขาจะรังเกียจเราขึ้นมา ท, าทันทีไม่มีใครชอบคนทําบาปหรอก มีแต่คนชอบคนที่ไม่ทำบาปชอบคนที่ทำบุญเพราะคนไม่ทำบาปคนไม่ทำบุญนี้ไม่เป็นภัยกับใครไม่เป็นโทษกับใครไม่เหมือนกับคนที่ทำบาปไปอยู่ที่ไหนก็จะต้องสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างแน่นอนถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์จากการทำบาป เราก็ต้องรักษาศีลห้าข้อนี้ให้ได้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมางนี่คือการกระทาที่จะทำให้เราไม่ต้องพบกับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วถ้าเรารักษาศีลศีได้เราก็จะทำการหยุดความอยากขั้นสูง ตไปได้ก็คือขั้นสมาธิทำใจให้สงบเราจะมีเวลาที่เราจะได้มาทำใจให้สงบถ้าใจเราวุ่นวายจากการทำบาปทำกรรมจะเวลาจะนั่งสมาธินี้ใจมันจะคิดอยู่แถบเรื่องที่เคยทาไม่ดีมาจะทำให้ยากต่อการทำใจให้นิ่งให้สงบได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราทำแต่บุญใจของเราจะเย็นจะสบายพอนั่งสมาธิควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายพอเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่เราหาด้วยเงินด้วยทอง ที่เราได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือได้จากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้เพราะว่าเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดและจะไม่มีความทุกข์ตามมาไม่เหมือนความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะมาแทนที่ทันที คนที่ร้องห่มร้องไห้กันคิดอยากจะฆ่าตัวตายกันคิดดูเสียว่าเขาทุกข์หรือเขาสุขกันทำไมเขาถึงต้องอยากจะฆ่าตัวตายทำไมเขาถึงน้องร้องห่มร้องไห้ mm hmm. ก็เพราะเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปเขาสูญเสียบุคคลที่เขารักไปนั่นเองนี่คือพิษภัยของการที่เราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆ เพราสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆนี้เป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของถาวรจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งจะต้องมีการพัดพรากจากกันเวลาพัดพรากจากกันวันนั้นแหละจะเป็นวันมหาทุกข์มหาโศกคนร้องห่มร้องไห้กันข่าตัวตายกันก็เพราะว่าสูญเสียบุคคลหรือสิ่งที่เขารักไปนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเราจะไม่มีวันที่จะต้องร้องห่มร้องไห้เราจะไม่มีวนัวนที่จะคิดฆ่าตัวตายถ้าเราอยากจะไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเราก็ต้องมีความสุขภายในตัวของเราเองความสุขที่มีในตัวในใจของเรานี่ก็คือความสงบนั่นเอง ความสงบที่เกิดจากการทำบุญทำทานความสงบที่เกิดจากการรักษาศีลความสงบที่เกิดจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ความสงบที่รักษาไว้ด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาเราจะรักษาความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดให้เรามีความสุขตลอดเวลาให้เราไม่ต้องไปพึ่งไปอาศัยสิ่งต่าง แม้แต่ร่างกายของเรา n ี้เราก็ไม่ต้องพึ่งมันไม่ต้องอาศัยมันถ้าเรามีความสุขมีความสงบแล้วร่างกายนี้ไม่มีความหมายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราจะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้จักวิธีสร้างความสุขสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่ชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเรานี้จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความทุกข์น้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจะมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่แหละคือมงคลที่เราจะได้รับจากการมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมดังนั้นขอให้พวกเรา พายฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็สักหนึ่งครั้งก็อย่างดีถ้าเป็นไปได้ฟังทุกวันได้ยิ่งดีเพราะสมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดมาฟังเทศกันแล้วเพราะเรามีเทศไปถึงบ้านเราเรามีหนังสือธรรมะเรามีซีดีธรรมะให้เราฟังเรามีทีวีมีวิทยุที่มีการแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลา ขอให้เราฟังกันเถิดมันเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลยิ่งกว่าการได้เงินได้ทองมาเป็นร้อยล้านพันล้านเพราะเงินทองร้อยล้านพันล้านนี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าความรู้ที่เราได้ยินได้ยินจากการฟังเทศฟังธรรมนี้จะเป็น สิ่งที่จะมาดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของเราให้หมดไปได้ดังนั้นขอให้เรามองการฟังเทศน์ฟังธรรมว่าเป็นเหมือนการรับประทานยาเราต้องเอายาเข้ามารักษาโรคของเราคือโรคของความทุกข์ความวุ่นวายใจถ้าเราไม่กินยาโรคภัยคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะไม่มีวันหมดไปจากใจของเรา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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายท่านหลายทั้งบวงโดยทั่วหน้ากันเธอ